พระธรรมเทศนาแผ่นที่95ลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าไม้ไผ่สอนชีอ้าวลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันที่สิบแปดพฤษภาคมพุทธศักราชสอง9ันห้าร้อยห้าสิบเก้าพระในวัดของเราสามสิบสี่งดสันสิบสี่นากสองวันนี้แล้วก็วันพุ่งนี้นะวันที่สิบเก้าพวกเราจะได้ทำบุญบ้านสวนบอกประกาศพี่น้องประชาชนให้ ท่านหน่อยบอกตามสายนะผู้ใหญ่บ้านในชุมชนกลุ่มของเราใครจะไปร่วมทําบุญตักวาดสวดมนต์ปุ่งี่เช้าวันที่สิบเก้าคงไม่มีอะไรคงพาสงไปพร้อมกันแล้วก็จเจริญพระพุทธมนต์หรือเราจะบินทบาทก่อนก็ได้ไปถึงเจ็ดโมงเจ็ดโมงก็เตรียมตัวบินทบาท พอมีธาบาามาประจําที่จําที่เสร็จแล้วเราก็สวดมนต์สวดพระปริตะมงคลจากนั้นเราก็จะถวายพรตทหารพระสงฆ์กล่าวความถวายัระทหารอุทิศส่วนกุศลจากนั้นพระสงฆ์ก็จัดอาหารอย่างที่พวกเราจัดเนี่ยนะพอจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็นุโมทนาให้พรเราถวายจะตุก ป, ปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ที่มาในงานมากี่โรคแต่หลวงพ่อก็นเน้นสำหรับพระที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาศิษยานุศิษย์ที่รู้จักมักคุ้นกลุ่มของเราไม่ได้นิมนต์ไกลขราวนี้เพราะเราทำบุญบ้านสวนวัดสำนักชีบ้านสวนเราได้สร้าง ตะก่อนก็เป็นบ้านเก่าของเขาบ้านของโยมสอสสุรชาติแต่หลังมันเตี้ยแล้วก็มีปลวกขึ้นตามต้นเสาเพดานเราก็เลยมายกขึ้นมาใหม่ทำให้เป็นคอนกรีตเหล็กให้มันแน่นหนา ม, มั่นคงก่อเสร็จไปแล้วโอ้จ่ายเงินไปมากเยนะลูกหลานสมล้านกว่าเฉพาะอาคารศาลาอุปกรณ์ เกือบสี่ล้านก็จะกว่าก็ไม่ทราบแล้วหลงพ่อไม่ได้สนใจพี่จะจับจ่ายจับจ่ายไปเขาเบิกอะไรมาแค่จ่ายไปแต่ก็มีที่พักของอุบาจิกาอีกทําเป็นลนักษณะห้องแถวลักษณะอย่างนั้น่ะอยู่กันเป็นหมู่อันนี้ก็ทั้งชั้นล่างเขาแปดห้องข้างบนก็าแปดห้องตัวนี้ก็หมดไปสี่ล้านกว่าอาคารหลังนี้ ฝ่ายอุบาสิกาเขพร้อมที่จะมาประพุทปธปฏิบัติปฏิบัติธรรมได้อยู่ในอาคารหลังนี้นะแต่ก็ชีป้อมเป็นเ <c oughs> จ้อเอาอวาตพร้อมกับคณะดูแลนี่แหละอันนี้ก็คือวันพุ่งนี้เราก็จะได้ทําบุญอุทิสวนกุศลบูทที่ถวายจิตตุปัจมาก็เนะี่ยเพื่อประพุทธศาสนาเป็นฝ่ายอุบาสิการตรงนั้นเป็นฝายเฟ็ดฝ่ายอุบาสิกาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมฝ่ายอุบาสิกาทงางฝ่ายวัดเราเนี่ยฝ่ายพระเป็นสำนักขึ้นมาแล้วก็ตอนเช้าก็มาทุกเช้าอย่างที่นี่นแล้วก็กลับไปทานอาหารกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนื้อที่กว้าง40สกว่าไร่เกือบ5้าสิบไร่ก็เพียงพอสำหรับอุบาสิกา ผู้ปลีกตัวรักษาพรหมจรรย์รักษานักพจนักบวชแต่คุณแม่ชีแก้วท่านบอกว่าเขาถามว่าเอ๊ะคุณแม่การที่บวชเป็นชีกับไม่บวชเป็นชีเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันไหนดีกว่ากันคุณแม่ชีแก้วท่านบอกว่านี่ยอันนี้ตรงพ่ อ, อความรู้สึกของชีใช่ไหมหลวง จะเอาความรู้สึกของพระได้ยังไงใช่ไหมล่ะความรู้สึกของชีคุณแม่ชีแก้วท่านว่าตามแต่ตาไม่จริงการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เลือกว่าขาวดำเลือกเป็นใส่ชุดไหนปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติจริงจัง ก, ก็พ้นทุกในวัฏฏะสงสารถึงพระนิพพานได้แต่ว่าถ้าว่าเรายังประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เนี้ย ถ้าให้เป็นอย่างแม่เนี่ยแม่บอกว่าบวดจะดีกว่าเพราะเหตุใดถ้าว่าเราเป็นฆราวาสเนี่ยบางทีใจของเรามันมาอยู่วัดมันก็แซวบไปอยากไปตลาดบ้างอยากจะไปเยี่ยมคนนั้นบ้างอยากจะไปเยี่ยมคนนี้บ้างอพอใจมันออกไปแต่นี่มันเราเป็นแม่ชีเนี่ยยูนิฟอร์มอย่างนี้่ะจะไปทะเลทลา่ามันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเพศยูนิฟอร์มอย่างนี้แล้ว ปงผมแล้วใส่ชุดขาวแล้วเราจะไปทะเลทะลาเหมือนกับเป็นคารวาสเหมือนก็เข้าตลงตลาดมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นคารวาสเราจะไปเที่ยวชมห้างสรรพสินค้าไปที่ไหนมันกิเลสมันพาออกเลยโดยมากกิเลสเก่ามันจะพาออกออกไปเที่ยวที่นั่นไปดูที่นีน่ไปพูดที่นั่นตรงนั้นก็จําเป็นตัวนี้ก็สาคัญถ้าไม่ไปเขาจะว่าให้อย่างนู้นอย่างนี้มันกิเลสมันหาทางออกทั้งนัด แต่เมื่อเราเป็นนักพรดนักปวดเป็นแม่ชีแล้วเนี่ยแล้จะไปทะเลถลายอยาา่างกันมันมันไปได้ยากมันต้องคิดมันมีเบลตกับตนเองเพราะฉะนั้นแม่ชีโอกาสที่จะภาวนาเนี่ยมากกว่าที่เป็นขาวดำแต่คุณแม่ชีแก้วท่านให้เหตุผลนะหลวงพ่อฟังตั้งแต่ท่านพูดมาแล้วหลพ่อก็ฟังขึ้นเหมือนกันอือใช่มีส่วนเพราะเราแยกออกมาจากฆราวาดแยกออกมาจาก ฆลาวาสหญิงทั่วไปเป็นชีบวชเป็นชีเป็นยูนิฟอร์มนี้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้สักชวนให้พวกสุจ้ามาบวชเป็นชีไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าแนวความคิดที่คุณแม่ชีแก้วได้บอกมันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ถึงยังไงถึงเราจะไม่ได้บวชเป็นชีแต่เราทาใจตัดใจให้เข้มแข็ง ติดตัดใจให้เข้มแข็งปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นกับปฏิบัติธรรมมันก็นเดินไปได้สมาธิและวิปัสสนามันก็เกิดขึ้นมาได้เพราะนั้นวัดของเราก็เลยก็เลยมีสำนักขึ้นมาให้เป็นทางเลือกของฝ่ายอุบาสิกาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและก็วันพรุ่งนี้แหละพวกเราก็จะได้ พราะจตุปัจจัยที่ได้มาก็ไม่ใช่ของหลวงพ่อนะเป็นพุทธศาสนิกชนได้มาแต่หลวงพ่อก็มองเหตนว่าน่าจะเกิดประโยชน์ต่อตรงไหนจุดใดอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าบริจาคทานมาตั้งแต่ฝ่ายพระก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ฝ่ายผู้ชายถวายมาไม่ใช่ฝ่ายผู้หญิงถวายมากกว่าที่หลวงพ่อเห็นเห็นเนะมือ่อได้จตุปัจจัยมาแล้วฝ่ายผู้หญิง เราก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องที่พักพาอาศัยความปลอดความปลอดปลอดภัยยื่มาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็เน้นจุดนะั้นจุดนั้นอีกเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นจึงได้มีอาคารขึ้นมามีศาลาขึ้นมารู้สึกให้เป็นสถานที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมฝ่ายอุบาสิกาจะได้ ทุ่มเทปัจจัยส่วนกลางส่วนวัดของเราเนี่ยนะอย่างที่หลวงพ่อที่พูดได้กล่าวเพราะนั้นเมื่อพวกฝ่ายอุบาสิกาทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติแต่โดยมากฝ่ายผู้หญิงเนี่ยหลวงตามหาบัวเคยพูดนะเหมือนกับ น, นกกระเจานะไปอยู่ด้วยกัน ได้ก็ฉกกันฉกกันไปฉกกันมาเดี๋ยวพลที่สุดก็กทะเลาะกันอีกทกี น, นี่ป่วยนั้นฝ่ายอุบาทิ์กาเนี่ยเอคุณแม่คุณพ่อหลวงพ่อไปเห็นแต่คุณแม่วงกดเนะี่ยปกครองฝ่ายผู้หญิงได้ตั้งร้อยสองสามรอยคนหนะลวงพ่อไปเห็นเออเขาปกครองปกครองกันยังไงวะเอะแต่โดยมากเห็นที่อื่นเนเออพอไม่สามสี่ห้าคนคนนั้นนะทะเลาะกันแนะ่ะ มีแต่ใครจะเก่งทั้งหมดการอยู่ด้วยกันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีการรดรา ว, วาสอบคนนั้นก็อยเก่งคนนั้นก็อยากจะเด่นคนนั้นก็อยากจะเป็นฮีโร่ผลที่สุก็เลยทะเลาะกันทนี่งหลวงพ่อยังจําไม่ลืมหลวงปู่ปู่เสียงทองอธรรมวโรที่ตกเครื่องบินนั่นเป็นรุ่นใหญ่ใน ล, ลูกชิดหลวงตามหาบัวรุ่นใหญ่ใหญ่กวเพื่อนเลยมั้งนใหญ่ก็หลวงปู่ล่าอีกอายุพรรษานะ ท่านก็เรล่าให้ฟังติดตลกนะให้ลูกหลานฟังๆเอาไว้ท่านไปบ้านสีฐานบ้านสีฐานคือบ้านเกิดของท่านเนะี่ยยะโสธร น, นะกระจายสีฐานนะแต่นี้ก็ท่านก็ไปพอไปถึงแล้วก็เป็นวัดเก่ามันสมัยนะั้นใครเป็นคนอยู่ต้องหลวงหลวงพ่อพวงหรืออะไรเนะี่ยพอไปเทนนะหลวงพ่อพวงแม่ชีมันทะเลาะกันจิงทองไง นะทาไมนั่นแหละให้ท่านท่านไปช่วยช่วยไกลเกลียไปช่วยแนะนําไปช่วยปราบให้หน่อยอะว่าเอาอยัางไงผมไปแล้วมันมันไม่ฟังอ่ะจะทำยังไงไปบอกได้ไรมันก็ไม่ฟังทะเลาะกันเนี่ยเถียงต่อหน้ากันลงหมัดลงมวยต่อหน้าอีกผมก็เลยไม่รู้จะทําไีเกียดไปยุ่งว่ะไปให้ท่านไปบอกบอกเขาด้วยนะสอนเขาด้วยไอ้หลวงปู่จึงทอง ครับหลวงพ่อจึงปูจึงทองเอาพระไปองค์หนึ่งองค์นึงสององค์น่ไปเป็นเพื่อนเหมือกันก็ให้ก่อนที่จะไปก็ตัดไม้ไผ่ขนาดลำพอดีพอดีนะขนาดใหญ่กว่าหัวไม่โป้งวัวเลยนะยาวประมาณสักสอกกว่ากนวะ่าเยไม่ชีมีกี่คนนะประมาณสิบกว่าคนนะท่านก็เตรียมไม้ไผ่ไปให้ครบคนเหมือนนนะอ ไม้ไผ่ก็ใส่ ย, ยามไปใส่ ย, ย่ามมัดให้ดีมัดพอประมาณแล้วนอพระก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่จึงทองจะเอาไม้ไผ่ไปอะไรใช่ไหมล่ะหลวงปู่จึงทองให้เอาไปก็เอาไปเลยอาจารย์พาไปเนะพอเขาไปก็นั่งพ๊อฮะได้ยินว่าพวกไม่ชี้ทะเลาะกันใช่ไหมเจ้าข่ามันเรื่องอะไรทําไมมาเป็นนักบวชนักบวชมันจะมัดทะเลาะกันได้ยังไง ถ้าว่าพระทะล visions, RIGHT? าาเลาะากันเลยว่าหมาเหลืองกัดกันถ้าหาว่าแม่ชีทะเลาะกันเหมาขาวกัดกันคนกัดกันคือหมาถ้าเป็นพระเป็นคนมีสมบัติผู้ดีมันจะไม่กัดกันนะอันนี้มันเป็นยังไงเอาพูดให้ฟังซิพอแม่ชีพูดเนี่ยพูดให้ฟังเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าจ้งทจงกัจ้าเจ้จ้าเจะแตกเจ้า้ เออหลวงปู่ไม่รู้เสียงใครตัวเสียงใครใครก็อยากเป็นผู้ชนะกันทั้งหมดเหมือนกันไม่ใครเป็นแย่งกันเป็นคนถูกทั้งหมดใช่ไมอมไม่มีใครเป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้ผิดเางั้นนเอะหลวงปู่เชียงทองบอกเอ้ยพูดอย่างนี้มันก็แก้ปัญหาไม่ได้อะไรที่ต่างคนก็ต่างอยากจะเอเป็นคนถูกทั้งหมดท่านก็จับไม้ไผ่เอามากผ้าไม้ไม้ไ ม, ไ ม, ไม้ของมากเะผพากระยง ยืนไม้ไผ่ท่านก็รวบไม้ไผ่เยีย่ยงโยนคําเอา้าเอาคนล้ค้อนกันต่อยกันเ้ยใช่ะข่าจะเปลี่ยนคนดูถ้าใครเก่งกว่ากันน่ะคนนะั้นแหละเป็นผู้ชนะนี่ไม้ไผ่เอาคนแล้วท่อนแล้วท่อนกันนะตีกันเลย <Yep. S 1> <ๆ>เหยียบเขยบอตันี้ <laughs> <laughs> พอหลวงปู่จึงทองเอาท่อนท่อนไม้ไผ่ให้ใช่ไหม คอยต้องค้อนตะพดให้คนละค้อนคนละท่อนละท่อนใช่ไหมโยนให้แม่ชีโยนกล่อมมนเลยต่อหน้ากระจายกันเลย่างนั้นได้เอา้าไม่ต้องพูดมากนะตะพดมาต่อยกันเลยตะกันเลยเดี๋ยวเราจะเป็นคนดูอถ้าใครเก่งกว่ากันนะคนนั้นจะเป็นผู้ชนะอแม่ชีเงียบไม่มีใครกระดุกกระดิกเลยแี่นี่พอเห็นท่อนไม้เลยใช่ไหม สูเจ้าเป็นนักพศนักบวชทำไมไม่สำมรั่กายวาจาของตนเองเรากินข้าวไข่กินข้าวชาวบ้านไม่ใช่ข้าวของตัวเมื่อไหร่กินข้าวกลบบาทถึงเป็นข้าวกลบาทกับเป็นข้าวชาวบ้านเออชาวบ้านเอามาเลี้ยงถ้าสูเจ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมก็เหมือนเอามาเลี้ยงหมาเน่ยงกว่าเลี้ยงหมาอีกตั้งหากหมากัดกันเลยเออถ้าหาเขาเอามาถวายพระถวายชีเป็นผู้มีศีล ก็จะได้บุญกับพวกผู้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าว่าสู้เจ้าอาวาสทําอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับยิงไร้ของเอาข้าวมาเลี้ยงหมาอีกต่างหากสู้เจ้าทําไมไม่ดูตัวเองทําไมไม่ภาวนาทําไมไม่ปฏิบัติศินมีอะไรทําไมจึงหาเรื่องหาเหล่าทำไมสงใจออกไปข้างนอกออมองคนมองกันในแง่ร้ายมันมองกันไม่ได้ไม่ได้มองกันในแง่เหตุผล การอยู่ด้วยกันต้องมองด้วยแง่เหตุผลสิทําไมคนนี้เป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่สบายจะไม่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมเขามีเรื่องอะไรในใจเขาไมมมันทุกข์ยังไงใช่ไหมที่เขาไม่มาไม่ใช่ว่าเขาทําอะไรหน่อยเดียวออกมาตีชิ้นดินทากันผลที่สุดมาทะเลาะกันแม่งมองกันในแง่ร้ายอย่างเนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันมากแต่เนี่มันหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์นะจะภาวนาได้ยังไงคนทะเลาะกัน พอภาวนาไปกับจิตใจกับส่งไปหาะคนนั้นพูดคนนี้พูดคนนั้นพูดคนนี้คนนี้พอได้สุดก็เลยน่ะจะภาวนาเอาอะไรจะหามักผลได้ยังไงเพราจิตใจมันส่งออกไปข้างนอกเรื่องทะเลาะกันบุคคละไม่สับปายะเนี่ยบุคคลไม่สับปายะจะภาวนาได้ยังไงสู้เจ้าต้องรวบรวมระวังนะเนี่แหละอันนี้กเคยเป็นเคยเป็นมาแล้วนะลูกหลานต้องฟังฟังเอาไว้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง เคยมีเนีมาหลวงปูช่ชิงทองเราเล่าให้หลวงพ่อฟังแต่สมัยเป็นเดนเนะหลวงพ่อก็เลยใช่หลวงปู่หลวงปูช่ชิงทองแก้ปัญหาได้ดีว่ะนะหลวงพ่อว่านะพอันนั้นมาถึงยุคของพวกเรายุคที่ได้รับการศึกษาดีแล้วนะอต่างคนก็จะรับการศึกษาดีแล้วอันไหนผิดผิดรู้ไหมผิดถูกรู้ไหมถูกรูดสูงรู้จักต่ํารู้จักจริึงควรไม่ควร ทุกศักาะเทสะการสถานที่บุคคลเราได้รับการศึกษาเราก็ต้องวางตัวให้ถูกต่างคนก็ต่างสำรวมปากสำรวมกายวาจาของตนนั่นเองให้เรียบร้อยต่างตัวงก็ต่างภาวนาของใครของเราหาทางพปดทุก์จะทำยังไงเราจรึงจะพ้นทุกในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิด ตามแนวแถวพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนาสั่งสอนพวกเราเราจะเดินตามทางนั้นจะทำให้เร็วจะทำยังไงให้เดินทางให้รัดที่สุดเร็วที่สุดน่แหละให้มีสติอยู่กับตนเองให้ภาวนาจากนั้นก็เมื่อภาวนาจิตใจสงบเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตา จิตใจก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละอันนี้ก็คื อ, อาการเป็นอยู่การประพฤติธปฏธิบัติธรรมที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นบทเรียนสำหรับให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษามาเอาเ อ, าอาดีตน่นนะมายกมาเป็นปัจจุบันแต่ถ้าว่าพวกเร า, เาไมา่ได้รับ อดีตไม่ได้บทเรียนมาเราก่อนไม่ได้ฟังไม่ได้ยินมาพวกเราก็คงจะคิดแนวหนึ่งแต่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเนี่ยเออมันไม่เป็นผลดีเลียะเป็นพระก็ตามจะเป็นโยมก็ตามจะเป็นชีก็ตามมันไม่ดีทั้งนั้นเรื่องทะเลาะวิวาทกันให้พร้อมเพียงสามัคคีกันอย่างไงมันดีดีไหมรู้จักไหมดนะีถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแล้วก็มัน มันก็ไม่รู้จะเดินทางไหนอีกเหมือนกันถ้ารู้จักดีรู้จักชัวล่ะหน้าวิธีการเดิน เ, เราจะหลบปลีกไปมิใช่ว่าเดินไปชนต้นไม้ก่จะโค่นต้นไม้เสีก่อนยังเดินไปไปเจอจอมปลวกก็ต้องขุดจอมปลวกเสก่อนเออมันลาบเสก่นกนอนยค่อยเดินไปเออถ้าไปถึงแม่น้ําก็จะต้องทําเรือเสีก่อนเออเรารู้จักหลบรู้จักปลีกไหมถ้าไปถึงต้นไม้ก็หลีกซะ ไปถึงจอมปวก่อถึงจากทางโค้งสงหน่อยกนหลีกซะนั่นนะต่อไปเราก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ได้เร็วนะเพราะรู้จักหลบรู้จักเกลีกเปลีกตัวจะทำยังไงใจของเราจึงจะเป็นสมาธิเป็นยังไงจึงเกิดปัญญาพิจารณาเห็นตรายลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวนะ วัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นแหล่งสั่งสมคุณงามความดีเป็นแหล่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางผลทุกไม่ใช่วัดวัดตั้งขึ้นมาแล้วเป็นสถานที่พน่นน้ำลายใส่กันเวทีบ็อกซิ่งกันไม่ใช่นะใครอยากจะบ็อกซิ่งกันไปนูน่นลุมพินี ล, ลาดาเนินเขาสมัครอยู่แล้วนักมวย นักชกหญิงนักชกชายเขาประกาศรับอยู่นู้นเวัดของเราประกาศรับผู้ปฏิบัติธรรมใครเป็นผู้มีศีลมีธรรมอยากมาปฏิบัติธรรมมาทําจิตใจให้สงบมาเขามาอันนี้เราประกาศสถานที่ปฏิบัติธรรมท่าว่าเขาประกาศหานักมวยของเขานุ่มช่องเจ็ดสีบังลาดจำเนินบงลุงพินี เราต้องไปสมัครนู่นทั้ที่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมมาปล่อยมัดปล่อยมวยอยู่ที่นี่ไปว่าผิดที่อ่างนั้นทั้งที่สถานที่ปฏิบัติธรรมมัมาชกมวยมันไม่ผิดที่อแต่วอลเขาประกาศลุมพินีราดดำเนินเขาประกาศชกมวยตัวเองไปนั่งภาวนาเฮ็ิที่เฮ็ติงัาอมันก็ผิดที่อีกเหมือนกันนะ เออพ่ออะไรพ่ออะไรเพราะมันผิดที่อยู่งั้นแหละนี่แหละสิ่งเหล่านี้นะพวกเรานะไปนะัสถานที่ใดนะอหลวงพ่อให้รู้จักกาละการสถานที่บุคคลควรจะพูดควรจะแสดงออกอบางทีเขาให้แสดงออกเอาพูดดูซิแสดงดูซิแท้ดูซิแสดงความคิดเห็นดูซิยื่นไม้มาปัดไม้จัดให้เดียวเร็ว ทาว่าเขาไม่พูดเลยพูดอับอัอไม่รู้พูดอะไรก็หม่รู้เลยอย่าพูดจะพูดใครก็พูดเพราอจะให้พูดก็พูดไม่ออกอีกพวกเราเคยเป็นไหมเป็นอย่างนั้นนะเออให้ดูๆนะนี่แหละในเมื่อเขาให้พูดเราต้องพูดเอาเหตุผลมาพูดไม่ใช่พูดชุมสี่ชุมห้านะหลวงพ่อไปประชุมและสานที่ใดหลวงพ่อเอาพูดส่งให้พูดแต่พูดวนไปวนเอายุต มันบนแล้วนะเอาองค์อื่นพูดเนี่ยแหละอันนี้ก็คือสถานที่การสถานที่เช่นไรนะเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรแนตะ่เราปฏิบัติตนถูกแล้วนะอยู่กับโลกสมมุตินะมันก็ไปได้ถ้าปฏิบัติตนไม่ถูกมันขวางเขาเหมือนกันนะอมันขวางโลกเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในพวกเราพระเนนทุกองค์นะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นการบอกกล่าวแนะแนวให้รู้จักการสถานที่บุคคลสถานที่อย่างนี้ควรทำยังไงไปสถานที่อย่างนั้นเขาสมัครอะไรอย่างที่หลวงพ่อพูดสมัครที่สมัครหมอลําก็มีใช่ไหมสมัครนักมวยก็มีใช่ไหมสมัครอะไรตัวมีอะไรัึงเยอะแยะไปหมดทุกวันแต่ตำลักตำนักของเราประกาศขึ้นมาสํานักปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมปู่ไดปฏิบัติธรรมเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมเอาเข้ามารักษาศีลภาวนาหลวงพ่อจะสอนวิธีการอย่างหลวงพ่อไปอินโดนีเซียเพิ่งกลับมาวันก่อนนะลูกหลนานพอไปถึงอินโดนีเซียโอ้โหคนอินโดนีเซียมันตงเกือบ300ร้อล้านเนี่ย แต่เขากดศาสนาอิสลามนะใหญ่แต่คนมากราบหลวงพ่อเนี่ยบางทีก็กราบคว่ำ ม, มือบางพอคว่ำ ม, มือแล้วหงายมือบางกำมือบ้างบางทีก็กราบคว่ำบางบางทีก็กราบเพ ก, ก, กลางจางกลางจางก็มีโอ้หลายแนววิธีการกราบของเขานะเออบางทีเนีเ่ยทั้งคว่ำทั้งหงายก็มีเวลากราบลงไปเออสรุปแล้วก็คือ มันหลายนิกายหลายแนวความคิดมีทั้งพระที่เบตทั้งสีลังกาพามา่าเนปาล เ, เกาหลีไต้หวันญี่ปุน่นพามา่าลาวไทยข เ, เ, เขมรเข้าไปสอนพุทธศาสนาอยู่อิ น, อนโดเพราะนั้นแต่ละกลุ่มนกนบอกให้ปฏิบัติตามที่ตนเองได้ศึกษาได้รู้ได้รู้มาเพราะ น, นั้นเขาเป็น เขาก็ทําอย่างที่เห็นัน่นแหะหลวงพ่อเห็นโอ้เออมากหลากหลายจริงๆไป ล, ลูกหลานอินโดนีเซียเนี่ยหลวงพ่อไปก็สอนอีกแนวหนึ่งเหมือนกันนะหลวงพ่อวันนั้นลูกหลานชาวอินโดนีเซียหลวงพ่อเองเนี่ยบวชมาถึงขนาดนี้แหละ เ, เป็นพระ51พันษาเนี่ยเป็นสมณีอีกแรวมได้59ปีหลวงพ่อฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนา หลวงพ่อมั่นใจในการแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อคือสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวหลวงปู่หล่าที่เป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่แหวนครูบาอาจารย์หลวงกลวงหลวงพ่อที่เป็นลูกศิษย์ยาวนิชิตของหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนี้อย่างนี้นะปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้แต่ท้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้เอาปฏิปทาของหลวงปู่มั่นมัดเลิอดกว่า กว่าพวกท่านทั้งหลายที่ได้เรียนได้ศึกษามาไม่ใช่อันนี้เป็นทางเลือกทางหนึ่งวิธีการที่หลวงพ่อแนะนําเป็นทางทางเลือกสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายทางเลือกทางหนึ่งแต่หลวงพ่อมั่นใจว่าแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเป็นแนวทางที่เดินมักวิปัชนาสมถะและวิปัชนาจนถึงพ้นทุก์ในวัฏสงสารเพราะว่า เมื่อครูบาอาจารย์ของหลวงปู่มั่นกว่าดีหลวงปูเ่เส้าก็ดีสิทธิญาณวิสิทธิ์ของหลวงปูเ่เส้าปู่เส้าปู่มั่นกว่าดีเมื่อท่านได้มรณภาพลงไปจุตินิรพานไปกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นตําจาตําตาตําใจเนี่ยหลวงพ่อก็มั่นใจว่าสายนี่คือสายพระอรหันต์ แล้ววิธีการทําท่านทําอย่างไรหลวงพ่อก็บอกวิธีการสมถะ ท, ท่านทํำยังไงวิปัสสนาท่านทํำยังไงอท่านที่จะ ต, ตัดกิเลสน่ยท่านตัดที่ตรงไหนหลวงพ่อพูดรู้สึกเขาก็ฟังดีนะโอ้โหคนเป็นพันๆเ น, นี่ยนั่งฟังเงียบไม่เหมือนคนไทยเรานะคนไทยบางทีค่อนมองมากนะเลยเวลาไปนั่งฟังเทศ นั่งคุยกันเป็นคู่ๆงันแต่ขวงเขาเนี่ยนั่งเงียบฟังเออเห็นแล้วคล้ายๆกขาบอกเขาต้องการฟังธรรมะอืมนี่แหละมันแปลกแตกต่างกั น, นที่หลวงพ่อไปเห็นมันออกม า, เ ล, าเล่าให้ลูกให้หลานฟังอราธนาศิลป์ราธนาพร้อมกันอราธนาเทศอราธนาพระพระปริสมันตาเขาพูดพร้อมกันหมด เก่งว่ะเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นแต่ผู้นํำ阿拉หังกว่าตามเออนโมก็ว่าตามเออขนาะนโมยังว่าตามกันอีกหัวหน้านํำซะก่อนพอหัวหน้า่หัวหน้าไม่มาวัดะหัวหน้าไม่นำแต่ไหนไม่รู้จะใครหาหัวหน้าไม่เจอปุ๋นมองหากันโลกเลกโลกเล็กเลยผัวในชุดพระอะไรเป็นผู้นําให้บัดพระเป็นผู้ว่ากล่าวเป็นผู้นํำนี่แหละเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะ เขาเป็นตัวเด็กๆตัว เ, เล็กๆมาเขาก็อาราหังเขาก็ว่าเหมือนกันเนียวอาราตนาศินเขาก็ว่าเหมือนกันว่าได้ทั้งหมดเพราะนั่นเขาว่าได้ทุกคนเลยนี่แหละหลวงพ่อเห็นว่าอออันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนำน่าจะนำมาใช้ในประเทศไทยพราะประเทศไทยดูเดียเด๋ยวนี้เงินรวยมากทางบอกหัวหน้าไม่มารู้สึกว่าทำอะไรไม่เป็นเลย สมันตาสมันตาจักวาเรซเน่ะก็เป็นพระเป็นคนพูดทุกครั้งเวลาโยมเทกล่าวความถวายกล่าวอาราธนาพระปริศน่พระก็สมันตาหลวงพ่อเฮ้ยม่นายจะถูกนะสมันตาเนี่ยเจ้าภาพเป็นผู้อาราธ น, นาพระปริศเจ็ดแล้วเจ้าภาพก็ต้องอาราธนาเชิญ เทวดาอินผรมยมยักษ์บุูมิมลุขะเทวดาเชิญมาฟังพระปริตะมงคลกับฝูงข่าโดยเด้อข่าเนี้ยพระสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์มันจริงจะถูกอันนี้พวกพระไ ป, ปกับพระก็นี่มนต์ไปกับพระเป็นแขกใช่ไหมพระเจ้าสุขแขกเชิญแขกเอแ ข, ก, แขกพระอะไรเชิญแขกเทวดานะตามไม่จริงน่าจะเป็นโยมน่าจะเป็นโยมเจ้าภาพเป็นผู้เชิญมันจึงจะถูกของพ่อว่านะ อ่เอารับพ่ในทด้นี้นะ